ในอร ย, ยสิ่งสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งเกี่ยวกับอริยสัจคือการรู้และทำหน้าที่ต่ออริยสัจแต่ละข้อให้ถูกต้องในการแสดงอริยสัจก็ดีในการปฏิบัติธรรมตามหลักอริยสัจก็ดีจะต้องให้อริยสัจแต่ละข้อสัมพันธ์โปรง ก, กันกับหน้าที่หรือกิจต่ออริยสัจข้อนั้นจึงจะชื่อว่าเป็นการแสดงอริยสัจ และเป็นการปฏิบัติธรรมโดยชอบมิฉะนั้นจะทําให้เกิดความผิดพลาดทั้งในความเข้าใจและการประพฤติปฏิบัติแม้แต่ความเข้าใจผิดบางอย่างเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเช่นเห็นว่าพระพุทธศาสนาสอนให้มองโลกในแง่ร้ายเป็นต้นก็เกิดจากการไม่เข้าใจเรื่องกิจในอริยศาสตว์นี้ด้วยกิจในอริยสัตว์คือหน้าที่อันจะพึงทําต่ออริยศัตว์4ี่แต่และอย่าง หรือหน้าที่ต่ออริยสัจข้อนั้นๆมีสี่อย่างตามบาลีในธรรมจักรกับปวัตนะสูตรว่า 1. ทุกขังอริยสัจจังปริญเยยยังทุกขอริยสัจควรกําหนดรู้ 2. ทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตับพังทุกขะสมุทัยอริยสัจควรหลั่ส ทุกขนณิโรโตอริยสัจจังสัจชิกาตับพังทุกขณิโรดอริยสัจควรทำให้แจ้ง 4. ทุกขณิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตับพังทุกขนณิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจควรเจริญสำหรับข้อหนึ่งทุกขังอริยสัจจังป ร, ริญเยยยังที่แปลว่าทุกข อ, อริยสัจควรกำหนดรูนั้น คำว่าควรกําหนดรู้เป็นคําแปลที่คุ้นกันมาของปริญญา อ, อย่างมักรู้สึกกันว่าเข้าใจยากอาจทับศัพท์ว่าพึงปริญญาหรือจะแปลใหม่ว่าควรรู้เท่าทันก็ได้หน้าที่ต่ออริยศาสตร์แต่ละข้อนั้นจับมาเรียงให้ดูง่ายดังนี้ 1. ปริญญาการกําหนดรู้หรือรู้เท่าทัน เป็นกิจในทุกข์หมายถึงการศึกษาให้รู้จักให้เข้าใจสภาวะที่เป็นทุกข์ตามที่มันเป็นของมันพูดง่ายๆว่าการทำความเข้าใจปัญหาและกาหนดขอบเขตของปัญหาให้ชัดเจนจัดเป็นขั้นเริ่มต้นที่จะช่วยให้การดำเนินการขั้นต่อๆไปเป็นไปได้และตรงปัญหา 2. ปะหานะการละเป็นกิจในสมุทย หมายถึงการกำจัดเหตุแห่งทุกข์ทำสิ่งที่เป็นสาเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไปพูดง่ายๆว่าการแก้ไขกำจัดต้นต่อของปัญหาสสัจจิกิริยาการทาให้แจ้งเป็นกิจในนิโรธหมายถึงการประจักษ์แจ้งหรือบรรลุ ถ, ถึงภาวะดับทุกข์พูดง่ายๆว่าการเข้าถึงภาวะที่แก้ไขปัญหาได้เสร็จสิ้น ภาวะหมดปัญหาหรือภาวะปราศจากปัญหาบรรลุจุดหมายที่ต้องการ 4. ภาวนาการเจริญเป็นกิจในมัคแปลตามตัวอักษรว่าการทำให้มีให้เป็นขึ้นคือทำให้เกิดขึ้นและเจริญเพิ่มพูนขึ้นหมายถึงการฝึกอบรมพัฒนาตามข้อปฏิบัติของมัค ก, การลงมือปฏิบัติ ตามมรรควิธีที่จะกําจัดเหตุแห่งทุกข์พูดง่ายๆว่าการกระทําตามวิธีการที่จะนำไปสู่จุดหมายหรือการกำหนดวางรายละเอียดวิธีปฏิบัติแล้วลงมือแก้ไขปัญหากิจทั้ง4นี้เป็นข้อที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องและเสร็จสิ้นในอรยิยสัจว์4แต่ละอย่างให้ตรงข้อกัน